สังคาทิเศษสิกขาบทที่ส0ว่าด้ยวยการยุยงส่งเสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวทรามเรื่องภิกษุณีทุลนันธา727สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธากล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายผู้ถูกสงสวดสมรภาพแล้วอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลายพวกท่านจงอยู่ครุกคลีกันเถิดอย่าแยกกันอยู่พิกษุณีเหล่าอื่นผู้มีความประพฤติอย่างนี้มีกิตติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันก็มีอยู่ในสงฆ์สงฆ์ก็ไม่ได้ว่ากล่าวภิกษุณีเหล่านั้นเลยสงได้แต่ว่ากล่าวพวกท่านเท่านั้นด้วยความดูหมิ่นเหยียดยม้มด้วยความไม่พอใจด้วยการข่มขู่ เพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงกกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำนิประนามโพนทานาว่า ชาไนพิกุณีทุลนันธาจึงกล่าวกับพิกษุณีทั้งหลายผู้ถูกสงสวดสมรภาพแล้วอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงอยู่ครุกคลีอย่าแยกกันอยู่พิกุณีเหล่าอื่นก็มีอยู่ในสงน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้นดังนี้เล่าครั้นแล้วพิกุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกพิกษุได้นําเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ